วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิเอ็ดตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันมาคบูชาเป็นวันที่ มีพระสงฆ์หนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนพระสงฆ์ทั้งหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปนี้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกันทั้งสิ้นและเป็น ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยการกล่าววาจาว่าเอหิพิกุแปลว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดและในวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงประทานพระโอวาที่เป็นหัวใจ ของพระพุทธศาสนา ม, มีอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งจงละการกระทำบาปทั้งปวงจงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามจงชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้และมาเผยแผ่คำสอนก็จะมีคำสอนที่เหมือนกันหมดก็คือคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานี้เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากความทุก ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ปรารถนาที่จะต้องการหลุดพ้นจากความทุกขเหล่านี้จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนคือละการกระทําบาปทั้งปวง อย่างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นคําสอนที่ตายตัวที่เรียกว่าอากาลิโกไม่เปลี่ยนแปลงไปกับการกับเวลาเพราะเป็นหลักธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปกับการกับเวลาเป็นหลักของจิตใจ จิตใจของสัตว์โลกนั้นที่มาเวียนว่ายตายเกิดกันก็เพราะว่าไม่ได้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองแล้วเมื่อไม่ได้ชาระใจให้บริสุทธิ์ก็ต้องมาเกิดมาเกิดเพื่อทาตามความตามอำนาจของกิเลสตัณหาต่างๆก็มักจะไปทำบาปกันเมื่อทำบาปแล้วก็ ทำให้ต้องไปรับผลของบาปต้องไปเกิดในภพที่ไม่น่าปรารถนาคือภพของอบายทั้งสี่ได้แก่เดชฉานเปรตอสุรกายและนรกพระพุทธเจ้าพระทุกทุกพระองค์ทรงตัดสรูผลของการทําบุญ และผลของการทำบาปและผลที่เกิดจากการทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์จึงทรงนำเอามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้ผลของการกระทำต่างๆของพวกเราว่าจะพาให้พวกเราไปอยู่ที่ไหนกัน ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเราก็จะดาเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องที่จะพาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆและมาเกิดในภพ ที่เราไม่ปรารถนากันเพราะเราไม่รู้ว่าพบต่างๆที่เรามาเกิดนี้ mm. เกิดจากการกระทําของเราในขณะที่เรามีชีวิตเป็นมนุษย์นี้ mm. พวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็มาทำอะไรต่างๆตามความอยากของพวกเรา พวกเราทุกคนมีความอยากฝังมากับใจติดมากับใจเป็นความอยากสามประการด้วยกันคือหนึ่งอยากในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัส ต, ต่างๆทางร่างกายเรียกว่ากามตัณหาความอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นเจริญลาบก็คืออยากร่มรวยนั่นเองเจริญยศก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตเจริญสรรเสริญก็อยากจะให้ได้รับการยกย่องอยากได้ความสุข เจริญแต่สุขมีแต่ความสุขแล้วก็มีความอยากที่จะไม่เสื่อมจากราบยศสารเสริญสุขไปเรียกว่าวิภาวะตันหาความอยากไม่เสื่อมจากราบยศสารเสริญสุขความอยากจเจริญในราบยศสารเสริญสุขเรียกว่าภาวะตันหา นี่คือความอยากที่ฝังมากับใจของพวกเราทุกคนไม่ต้องสอนกันว่าอยากไหมอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดไหมอยากได้ลาบยศสารเสริญไหมอยากไม่เสียลาบยศสารเสริญสุขที่ได้มาไหมอันนี้เป็นความอยากที่ฝังมากับใจของสัตร์โลกที่พาให้สัตร์โลกต้องกลับมา เกิดเป็นมนุษย์กันพอได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำสิ่งต่างๆตามความอยากของตนและบางครั้งก็จะต้องทำบาปกันในเมื่อไม่สามารถหาสิ่งต่างๆที่อยากได้ด้วยการไม่ทำบาปเช่นบางครั้งเราขาดเงินขาดทอง เราอาจจะต้องไปลักขโมยหรือไปช่อโกงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือโกหกหลอกลวงหรือไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะได้มีเงินทองมาใช้สอยการกระทำบาปของเรานี่แหละที่จะพาให้เราต้องไป เกิดในอบายต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราอยู่กับใจใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องตายแต่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ร่างกายเป็นของดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้ใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบาปแต่ผู้ที่จะรับผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่จะต้องรับผลบาปก็คือใจ ผู้ที่จะต้องไปเกิดในอบายต่อไปถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสูรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียด เครียดแค้นก็จะไปนรกนี่คือสภาพของดวงวิญญาณคือดวงใจที่เวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณถ้าเป็นเดรัฉานก็ไปได้ร่างกายของเดรฉานด้วยอยู่แบบเดรัฉานไปถ้าเป็นเปรตก็ไม่ต้องมีร่างกาย เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่ทุกข์ทรมานกับความหิวโหยถ้าเป็นอสุรกายก็เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ทรมานไปกับความกลัวต่างๆถ้าเป็นนรกก็เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ทรมานไปกับความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเครียดแค้นอาการเหล่านี้พวกเราสามารถเห็นได้ แม้ขณะที่เรายังไม่ได้ตายไปบางวันเราก็มีความโลภแล้วจะมีความรู้สึกทรมานใจเวลาที่เราไปทำบาปมาด้วยความโลภใจของเราจะไม่รู้สึกอิ่มพอกับสิ่งที่เราได้มากับมีความทุกข์ทรมานใจอยากจะได้อีกหรือถ้าเราทำบาดด้วยความกลัว ใจของเราก็จะมีความหวาดกลัวไม่สบายใจทรมานใจถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทใจเราก็จะทุกข์ทรมานไปกับความอาฆาตพยาบาทนี่แหละคือใจของพวกเราที่เวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ จะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่ที่การกระทําของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ถ้าเราไม่กระทําบาปแล้วเราทําแต่บุญใจของเราก็จะเย็นจะมีความสุขจะมีความอิ่มความพอไม่หิวโหยไม่หวาดกลัวไม่อาฆาตพยาบาทการทําบุญนี้จึงเป็น สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจแล้วเวลาที่ไม่มีร่างกายเวลาที่ตายไปบุญก็จะทำให้จิตใจไปเป็นเทวดาเป็นดวงวิญญาณที่เป็นเทพต่างๆชั้นต่างๆตามกําลังของบุญที่เราได้ทำกัน <c oughs> ทำน้อยก็ได้เป็นเทพชั้นต่ำ ทำมากก็ได้เป็นเทพชั้นสูงนี่คือที่ไปของพวกเราเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะดึงให้เราไปสู่อบายภูมิใดภูมิหนึ่งถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้เราไปเป็นเทพ ชั้นต่างๆแล้วหลังจากที่เราได้ไปใช้บุญใช้บาปแล้วพอบุญกับบาปไม่สามารถที่จะดึงให้เราไปอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในอบายได้เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำบุญทำบาปกันใหม่ มาทําตามความอยากกันใหม่มาหาลูปเสียงกลิ่นรสพทธทพะมาเสพกันมาหาราบยศสรรเสริญแล้วก็มาคอยรักษ า, าลากยศสรรเสริญไม่ให้หมดไปไม่ให้จากไปแล้วเราก็ต้องวุ่นวายเพราะว่าใจเราจะไม่มีความสุขไม่มีความสงบ จะสุขก็สุขเดียวๆสุขขณะที่ได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาสิ่งที่เราได้มาแล้วก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาสิ่งที่เราได้มานั้นจากเราไปถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับความทุกข์ความวุ่นวาย ที่เกิดจากความอยากต่างๆพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าให้พวกเรามาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กันเพราะสิ่งที่ทำให้ใจของเราไม่บริสุทธิ์ทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้ใจของเราต้องเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหานี่เองกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง ตันหาก็คือความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากไม่ให้ลาบยศสรรเสริญที่ได้มาต้องสูญเสียไปความอยากเหล่านี้จะทําให้ใจต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเวลาตายจากโลกนี้ไปก็ต้องดิ้นรนกลับมาเกิดใหม่แต่ก่อนจะได้กลับมาเกิดใหม่ ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนนี่ลคือเหตุทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงแล้วก็ถ้าเรายังต้องทำอะไรก็ขอให้ทำบุญแทนยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่เราจะได้ ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาทำบุญทำบาปไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปกันอีกต่อไป <Yeah. S 1> นี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้ทรงตัดสรุ้กัน <Yeah. S 1> แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายอย่าง พวกเราที่กําลังฟังกันอยู่ขณะ น, นี้พวกเราก็เป็นเหมือนกับพระอาหารหันต์ตสาวกหนึ่งพรห้าสรูปที่ก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระอาหารหันตตสาวกท่านก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนอย่างที่ท่านได้ทรงสอนในวันนั้น ก็คือสอนให้ละการกระทำบาปสอนให้ยังกุศลให้ถึงพร้อมสอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอผู้ฟังได้ฟังแล้วมีศรัทธาความเชื่ออย่างแรงกล้าน้อมนาเอาไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่นานจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์ก็ บนรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกําว่าพระอาหารหันต์ก็คือผู้สิ้นกิเลสนั่นเองอาหารหันต์นี้แปลว่าผู้สิ้นกิเลสผู้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆเหลืออยู่ภายในใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เป็นใจที่อยู่ที่พระนิพพานพระนิพพานก็คือใจที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังนี่เองนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขเป็นความสุขที่สูงสุดไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราหากันอยู่ในขณะนี้เป็นความสุขแบบสุขสุขดิบดิบ สุกแล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟแล้วก็ต้องดิน้นฮะดิ้นรนหาความสุขใหม่ในขณะที่ไม่มีความสุขใจก็รุ่มร้อนใจก็ไม่สบายแต่วเวลาได้ความสุขมาก็ได้ความสุขเพียงเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็จางหมดไปหายไปแล้วก็ต้องกลับไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็เหมือนกัน หามาได้ปั๊บก็หมดไปหาไปจนวันตายตายไปแล้วก็ยังไม่หยุดหายังจะกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้หามันใหม่อีกต่อไปชีวิตของพวกเราจึงต้องมาเจอกับความทุกข์ตลอดเวลาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเวลามีความอยากใจก็ทุกข์ ใจไม่สบายเวลาได้สิ่งที่อยากมาก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันจากกันไปพอจากไปก็ต้องทุกข์กันอีกร้องห่มร้องไห้กันอีกเนี่ยเรากำลังวิ่งเข้าหาความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไปคิดว่าความสุขที่ได้นั้นเป็นความสุข แท้จริงเป็นความสุขที่จะเป็นที่จะอยู่กับเราไปตลอดแต่ความจริงแล้วมันเป็นความสุขเดียวเดียวเท่านั้นแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเหมือนปลาที่ไปตะฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดไปคิดว่าเป็นความสุขเป็นอาหารอันโอชะแต่พอไปฮุบเหยือ่อเข้าก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเอา แล้วก็จะถูกลากขึ้นไปต้มในหม้อแกงต่อไปนี่คือลักษณะของความสุขที่สัตว์โลกอย่างพวกเราหากันมาอย่างโชคโจรหากันมาอย่างเป็นเวลาอันยาวนานการที่เราได้มาเกิดกันเพื่อมาหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันนี้ เราไม่ได้กลับมาเพียงชาติสองชาติเท่านั้นมาเป็นแสนแสนล้านชาติด้วยกันเพราะอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นจำนวนมากขนาด น, นั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวมกันน้ำตาที่เราได้หลั่งมาแล้วนี้มันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรอีก ก็คิดดูจำนวนของภพชาติที่เราจะต้องมาเกิดมาร้องไห้เพื่อจะได้มีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณการกา ร, การเวียนว่ายตายเกิดที่เราได้กระทํากันมาและยังจะต้องทํากันต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระอาหารหันตาสาวกเราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันเราไม่รู้ว่าเรากำลังสะสมน้ำตากันเพราะว่าเราไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะเห็นตัวเราเองได้ สิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่เป็นตัวเราสิ่งที่เราเห็นคือร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นคนรับใช้เราผู้รับใช้เราเราใช้ร่างกายให้ไปทำตามความอยากต่างๆของเราเราก็เลยไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแล้วเราก็เลยต้องมาทุกข์กับร่างกายเพราะเราก็จะรักจะหวงร่างกาย ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เมื่อเรารักร่างกายแล้วเราหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราก็จะไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันก็เลยทำให้เราทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งทุกข์เพราะความหลงตัวร่างกายเองมันไม่ทุกข์นะ ร่างกายเวลามันแก่มันไม่เดือดร้อนเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่เดือดร้อนเวลามันตายมันไม่เดือดร้อนเพราะมันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ว่ามันแก่มันไม่รู้ว่ามันเจ็บมันไม่รู้ว่ามันตายมันไม่มีตัวรับรู้อยู่ในร่างกายตัวที่รับรู้นี้คือใจคือเราเราไปรับรู้ร่างกาย แต่เราไปรับรู้ว่ามันเป็นเราเราไปหลงคิดว่ามันเป็นเราเราก็เลยทุกข์กับมันเพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายนั่นเองแต่ถ้าเรารู้ความจริงว่ามันไม่ใช่เป็นเราเราอย่าไปอยากให้มันแก่อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะไม่ทุกข์กับมัน เหมือนกับเวลาที่เรารู้ว่าร่างกายของคนอื่นไม่ใช่เราเราก็จะไม่มีความอยากให้ร่างกายของเขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายของคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นเราของเรานั่นเองแต่ถ้าเราไปยึดไปถือเช่นไปยึดไปถือว่าเป็นสามีเราเป็นภรรยาเรา เป็นบุตรที่ดาเราเป็นพ่อแม่เราถึงแม้ไม่ใช่เป็นตัวเราเราก็ไปทุกข์กับเขาได้เพราะทุกข์เพราะอะไรทุกข์ทุกข์เพราะไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตายนั่นเองนี่คือความอยากที่มาสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราทุกข์กับร่างกายทุกข์เพราะว่าไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา เราก็เลยอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายหรือพอคิดถึงเวลาที่มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็มีความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีตาในคือตาใจที่เรียกว่าตาทิพย์เนี่ยผู้ที่สามารถเห็นใจตัวเอง รู้จากตัวเองว่าตัวเองนี้คือใจคือผู้รู้ผู้คิดส่วนร่างกายนี้เป็นผู้รับใช้เรารับใช้ใจอีกทีหนึ่งไม่ได้เป็นตัวใจใจไม่ได้เป็นร่างกายพอพระองค์ทรงเห็นความจริงพระองค์ก็เลยไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายเพราะรู้ว่าไม่สามารถที่ปะ ไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ร่างกายมันมีธรรมชาติที่มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดามันเกิดมาแล้วมันมีเจริญเติบโตแล้วมันก็มีการเสื่อมการเสื่อมก็คือการแก่การเจ็บการตายนี้เองไม่มีใครที่จะสามารถที่จะไปยับยัง้งหักห้า ธรรมชาติของร่างกายได้แต่ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายได้ถ้ารู้ว่าไม่ใช่เป็นร่างกายถ้ารู้ว่าตนเองไม่ได้เป็นร่างกายตนเองก็จะปล่อยวางร่างกายไปเหมือนกับที่เราปล่อยวางร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยคนที่เราไม่รู้จักนี่เราไม่ทุกข์ทรมาร์ไปกับเขาเลยร่างกายเขาจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ เราจะไม่เดือดร้อนจะไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ได้มีความผูกพันไม่มีความยึดติดกับร่างกายของเขานั่นเองเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเขาเขาไม่ได้เป็นเรานั่นเองชั้นใดพระพุทธเจ้าก็เห็นร่างกายของพระองค์ว่าไม่ได้เป็นพระองค์พระองค์คือผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นร่างกายเป็นพวก เป็นผู้ที่มารับคำสั่งของผู้รู้ผู้คิดอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าไม่ต้องทุกขกับร่างกายแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเพราะทรงรู้ว่าถ้ายังต้องใช้ร่างกายอยู่ก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บต่อไปเรื่อย ก็เลยหยุดใช้ร่างกายวิธีหยุดใช้ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็คือหาวิธีอื่นหาความสุขโดยวิธีอื่นปกติเวลาที่พวกเรามาเกิดนี้เวลาเราจะมีความสุขกันได้นี้เราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือกันเราต้องให้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่ม เราเราก็มีความสุขกัน <Yeah. S 2> เวลาที่เราไม่ได้เที่ยวไม่ได้กินไม่ได้ดืม่มเราก็จะทุกข์กัน <Yeah. S 2> เราเลยต้องอาศัยร่างกาย <Yeah. S 2> เป็นเครื่องมือหาความสุขกันแต่ร่างกายมันก็หาความสุขให้กับเราได้จนถึงเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายเท่านั้นพอถึงเวลานั้นมันก็จะไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ yeah. พระพุทธเจ้าก็เลยหาหาความสุขแบบใหม่ดีกว่าก็ได้ไปศึกษาจากนักบวชทั้งหลายนักบวชทั้งหลายเขาก็สอนให้หาความสุขจากการทําใจให้สงบเวลาทําใจให้สงบหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็จะมีความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกาย ก็เป็นความสุขที่จะอยู่ไปกับใจสามารถที่จะทำให้มันมีได้ตลอดเวลาไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องเกี่ยวข้องกับร่างกายหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆการหาความสุขทางร่างกายนี้ยังต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นด้วยเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นๆด้วย mm. เช่นเกี่ยวข้องกับ เงินทองเกี่ยวข้องกับข้าวของที่เราอยากจะซื้ออยากจะได้มาเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เราอยากจะพบอยากจะได้ความสุขจากเขาเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีการเจริญมีการเสื่อมได้เสมอซึ่งทําให้เราบางทีก็หาความสุขทางร่างกาย ไม่ได้ก็มีนอกจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแล้วเรายังต้องทุกข์กับการที่เราไม่สามารถหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เพราะบางทีเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้วหรือบางทีเขาเปลี่ยนไปแล้วแทนที่เขาจะให้ความสุขกับเราเขากลับให้ความทุกข์กับเราก็เป็นไปได้ แต่ความสุขที่เราจะได้จากการมาทำใจให้สงบนี้เป็นความสุขที่ไม่มีตัวแปรตัวแปรมีตัวเดียวเท่านั้นคือสติถ้ามีสติเราก็จะมีความสุขจากความสงบได้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่มีความสุขจากความสงบแต่เราสามารถสร้างสติกันได้และสามารถรักษาสติ ให้เป็นสติที่มั่นคงถาวรได้ยกตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทันยุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายยุติการหาความสุขผ่านทางลาบยศสารเสริญสุขยุติการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพักษ์ต่างๆแล้วก็มาหาความสุขจากการเจริญสติ ฝึกสติสร้างสติขึ้นมาในใจสติอยู่ในใจเมื่อสร้างได้แล้วก็จะอยู่กับใจไฟตลอดจะไม่จากใจไฟใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายสติที่เราสร้างขึ้นมาก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ตายเช่นเดียวกันมันก็จะอยู่กับใจทุกครั้งที่เราใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยาก ใจของเราก็จะสงบมีความสุขได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็เลยไปสร้างความสุขแบบใหม่โดยการจเจริญสติคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้คิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยถ้าจะคิดก็คิดกับเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นเรื่องที่เกี่ยวกับการดารงชีพ เกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายเป็นต้นแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ความคิดก็จะหยุดคิดแล้วก็ไปนั่งสมาธินั่งหลับตาทําใจให้สงบด้วยการจดจ่ออยู่ดูลมหายใจเข้าออกให้ดูเฉยๆลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก จะรู้ตรงที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะรู้ที่กลางหน้า อ, อกก็ได้กลางหน้า อ, อกเวลาลมเข้ามันก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกมันก็จะยุบลงไปก็ให้เฝ้าดูตรงจุดใดจุดหนึ่งให้อยู่ตรงจุดเดียวอย่าเคลื่อนไปเคลื่อนมาเพราะจะทําให้ใจไม่นิ่งการนั่งสมาธินี้เราต้องการให้ใจนิ่งถ้าใจไม่นิ่งเราจะไม่สุขน แต่ถ้าใจนิ่งเมื่อไหร่แล้วใจจะมีความสุขแต่ตอนต้นมันจะไม่นิ่งเพราะมันยังมีกิเลสตัณหาคอยดึงให้มันไปไปมามาอยู่เราจึงต้องใช้สติสู้กับมันสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็รู้ที่ปลายจมูกรือที่กลางหน้าอกหรือถ้าอยากจะรู้กับคาบิกรรมพุทโธ ก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปให้อยู่กับคำบริกรรมเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าสามารถควบคุมบังคับใจให้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธไปได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบพอดิ่งจิตนิ่งสงบแล้วก็จะไม่ดิน้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องใช้สติเพราะว่าตอนนั้นจิตมันนิ่งแล้วไม่ จะมีสติจะใช้สติแล้วไม่ใช้สติมันก็ไม่มันก็ไม่ทำอะไรแล้วมันไม่คิดอะไรมันไม่อยากอะไรแล้วในตอนนั้นตอนนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเบาอกเบาใจความสบายใจนี่คือวิธีหาความสุขแบบใหม่ของพระพุทธเจ้าพอได้ส่งคนพบความสุขแบบนี้แล้วก็สามารถเลิก ความอยากที่จะไปหาความสุขแบบอื่นได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากจะไปหาความสุขแบบเก่าคือความสุขทางร่างกายความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ก็ใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมามันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด อย่าไปฮุบเอือร์เดี๋ยวจะถูกตะขอเกี่ยวปากเอาอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันจะนําความทุกข์มาให้เพราะว่าลาบยศสรรเสริญสุขมันไม่เที่ยงนั่นเองมันมีเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็มีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปถ้ามีปัญญาคอยสอนใจทุกครั้งที่เกิดความอยาก ก็จะฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากขณะที่ฝืนความอยากถ้าใจเกิดความไม่สบายก็สามารถใช้สติระ ง, งับได้ถ้าเคยมีสติทำให้ใจสงบแล้วเวลาใจสั่นเพราะความอยากก็สามารถใช้สติระ ง, งับความสั่นนั้นได้โดยทําให้ไม่รู้สึกทรมานใจกับการที่จะต้องฝืนความอยาก พอฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะยอมแพ้จะไม่มาลบ ก, กวนใจอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากมาลบ ก, กวนใจใจก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบไปโดยที่ไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้สมาธิอยู่เฉยๆก็มีความสุขถ้าไม่มีความอยากมากกวนใจถ้ามีก็ใช้สติใช้ปัญญากาจัดมันได้ ใจของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ต้องไปทําตามความอยากอีกต่อไปก็เลยไม่ต้องไปเกิดหลังจากที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเพราะการมีร่างกายอันใหม่ก็เป็นการมีความทุกข์นั่นเองเพระองค์ทรงตรัสว่าทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้ายังเกิดอยู่ก็ยังต้องทุกข์อยู่ไม่ว่าจะเกิดดีขนาดไหนก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันทุกคนเกิดเป็นพระมหาจากักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นมหาเศรษฐีเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ากเกิดเพราะทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ผู้ที่จะไม่เกิดก็ต้องเป็นผู้ที่ระ ง, งับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ <IS ES> ผู้ที่จะระ ง, งับความอยากให้หมดไปได้ก็ต้องมีสติมีปัญญา <IS ES> ปัญญาก็จะเป็นผู้สอนให้รู้ว่าความอยากนี้ความอยากได้สิ่งที่อยากได้นั้นสอนใจให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด ถ้าไปหุบมันแล้วมันก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเอาถ้าไปอยากกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะต้องทุกข์เพราะว่ามันจะเสื่อมมันเป็นอนิจจังจะลาแล้วก็ต้องมีเสื่อมมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นของเราไปตลอดไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ มันจะต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจเวลาที่เกิดจะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วขณะที่เกิดความอยากใจอาจจะสั่นขึ้นมาก็ใช้สตินังนับมันได้คนที่มีสติมีปัญญาก็จะสามารถเลิกความอยากต่างๆได้อยากบุหรี่ก็เลิกได้อยากสุราก็เลิกได้อยากยาเสพติดก็เลิกได้ อยากเที่ยวก็เลิกได้อยากมีครอบครัวก็เลิกได้อยากอะไรทั้งหลายทั้งปวงเลิกได้หมดเลยถ้ามีสติและมีปัญญานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันเพื่อชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยต้องชําระใจด้วยสติด้วยปัญญา าการที่เราจะมาเจริญสติเจริญปัญญาได้เราต้องมีเวลาอย่างเต็มที่เท่านั้นถึงจะทําได้สําเร็จถ้าเราไม่มีเวลามาเจริญสติปัญญาอย่างเต็มที่เช่นถ้าเรายังต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวยังต้องมียังต้องไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอยู่ เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ทำได้อย่างมากก็คือสองข้อแรกในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือละการกระทําบาปแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลการละการกระทําบาปก็คือรักษาศีลห้าไปเรื่อยๆถือศีลห้าเป็นนิจจสินพยายามรักษาศีลห้าไว้ทุกวัน ถ้ารักษาศีลได้ทุกวันรับรองได้ว่าตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้ามีโอกาสได้ทำบุญเช่นทรมาหากินแล้วมีเงินเหลือกินเหลือใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็เอาไปทำบุญแทนเพราะบุญนี้จะเอาไปได้บุญนี้เป็นเหมือนเงินที่เราจะไปใช้ในโลกั้งโลกต่อไปในโลกทิพได้ ถ้าเราทำบุญเราก็จะมีเงินติดตัวไปเราก็จะไปแบบเศรษฐีก็จะไปเป็นเทวดา อ, อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่จะสามารถทำกันได้แต่ถ้าในข้อที่สามในเรื่องของการชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์นี้เราจะยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่เพราะเราจะไม่มีเวลา เพราเราจะต้องเสียเวลากับการไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็เลยจะไม่มีเวลาที่จะมาฝึกสติมาฝึกปัญญาเพื่อที่จะมาละความอยากต่างๆได้ผู้ที่จะไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี้ต้องเป็นผู้ที่ ไม่มีงานทำไม่มีครอบครัวก็เพราะว่าจะได้มีเวลาไปเจริญสติไปเจริญปัญญาได้อย่างเต็มที่นั่นเองถ้ามีงานก็ต้องลาออกจากงานถ้ามีครอบครัวก็ต้องอเลิกกับครอบครัวไปเพื่อที่จะได้มีเวลาพวกนี้ก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนี่เอง พวกนักบวชนี้เขาไม่มีครอบครัวเขาไม่มีอาชีพเขาไม่ต้องไปทำงานทำการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเขาไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาเลยมีเวลาที่จะมาเจริญสติได้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเขาจะทําเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อน ผู้ที่มาบวชนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกสติก่อนเพราะสตินี้เป็นกุญแจดอกสําคัญเหมือนกับกุญแจรถยนต์ก่อนที่จะขับรถยนต์ไปไหนมาไหนได้ต้องมีกุญแจเปิดเข้าไปในรถก่อนเปิดประตูรถแล้วก็ไปสตาร์ทรถด้วยกุญแจพอมีกุญแจสตาร์ทรถแล้วก็สามารถขับรถไปไหนมาไหนได้จันใดผู้ที่จะไป นิพพานผู้ที่จะไปหยุดความอยากต่างๆหยุดความโลภผู้ที่จะไปเจริญสติผู้ที่จะไปเจริญสมาธิไปเจริญปัญญาได้จำเป็นจะต้องมีสติก่อนดังนั้นนักบวชทั้งหลายพอมาบวชแล้วสิ่งแรกที่เขาจะทำกันก็คือเจริญสติตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเพื่อที่จะได้คอย ควบคุมใจควบคุมความคิดควบคุมการกระทาต่างๆไม่ให้กระทานอกกรอบของนักบวชไม่ให้ไปทำกิจกรรมเหมือนกับตอนที่เป็นผู้ครองเรือนถึงแม้จะไม่ผิดกฎหมายถึงแม้จะไม่บาปเช่นการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ผิดกฎหมายไม่บาปแต่มันจะพาให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นเท่านั้นเอง ถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปหาลาบยศสารเสริญให้ไปหาสติไปฝึกสติลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยถ้าใช้พุทโธเป็นตัวสร้างสติก็ให้เราลึกถึงพุทโธไปเรื่อยๆเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดเพ้อเจอเพืพ่คิดเพ้อฝันคิดเลื่อยเปื่อย ให้ใจคิดแต่พุโทโธพุธโทโธไปแล้วใจจะนิ่งใจจะเย็นใจจะสบายเพอาถ้าคิดพุโทโธแล้วมันจะไม่เกิดความโลภความอยากขึ้นมาถึงแม้ว่าความโลภความอยากจะไม่ตายจากสติแต่ถ้ามีสติสติจะคุมมันได้แต่มันไม่ตายความโลภความโกรธความโหยงความอยากต่างๆมันจะตายต้องใช้ปัญญา แต่ตอนนี้ตอนที่เจริญสติยังไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญาตอนเจริญสตินี้เอาสติอย่างเดียวพุทธโธอย่างเดียวอย่าไปพิจารณาไปคิดอะไรเพราะคิดแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกิเลสไปคิดได้ครั้งสองครั้งแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเรื่องการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่นอย่าพึ่งไปเริ่มขั้นต้นนี้ให้ฝึกสติก่อน ให้ฝึกสติจนสามารถหยุดความคิดได้พอใจเผลอไปคิดถึงราบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็สั่งให้มันหยุดได้แล้วเวลาต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบเพื่อให้เกิดความสุขก็สามารถทำได้ถ้าเราสามารถสร้างสติได้ถึงระดับนั้นแล้วเราจึงค่อยไปเจริญปัญญาขั้นต่อไปขั้นต้นนี้ฝึกสติให้ควบคุมความคิดความอยากให้ได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับและเวลานั่งสมาธิก็ทำให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ให้จิตรวมเป็นหนึ่งสัคตะวารุเป็นอุเบกขาเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าได้อย่างนี้แล้วขั้นต่อไปเราค่อยไปคิดทางปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วขณะที่อยู่ในสมาธิขณะที่จิตนิ่งไม่ให้คิดอะไร ให้จิตนิ่งนานๆนนเพราะยิ่งนิ่งยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งมีกำลังที่จะสู้กับกิเลสตัณหามากขึ้นไปเท่านั้นถ้าไม่นิ่งนานเดี๋ยวออกมาจะสู้กับกิเลสไม่ไหวสู้ได้ยกสองยกก็จะแพ้มันไม่จะสู้ไม่ได้ครบสิบห้ายกแต่ถ้าให้จิตนิ่งนานๆสงบนานๆเวลาออกมามันจะสู้กับกิเลสได้นาน อันนั้นขั้นต้นจึงต้องฝึกสติให้ชำนาญก่อนฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนเมื่อได้สติได้สมาธิจนชำนาญแล้วก็อย่าไปติดอย่าต้องออกทางปัญญาต่อไปถ้าทำแต่สติกับสมาธิเราก็จะเรียกว่าติดสมาธิแต่ตอนต้นตอนที่เรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสตินี้ไม่เรียกว่าการติดสมาธิการยติสมาธิก็ต่อเมื่อ เราได้สติแล้วเราได้สมาธิแล้วเราชํานาญในในสติชํานาญในสมาธิแล้วแล้วเราไม่ไปทําปัญญาอันนั้นแหละถึงจะเรียกว่าติดสมาธิแต่ตอนต้นนี้ยังเรายังไม่มีสมาธิยังไม่ถือว่าติดเรากําลังสร้างสติสร้างสมาธิกันต้องสร้างจนเราชํานาญแล้วเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการตอนนั้นแหละถึงจะ ถึงเวลาที่เราจะออกไปทางปัญญาต่อไปเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าเราไม่ไปทางปัญญาจิตมันไม่ไปเองเราต้องบังคับให้มันพิจารณาทางปัญญาต้องให้มันพิจารณาไตรักอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้มันเป็นความสุขแบบเยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมันเป็นความสุขนิดเดียวแล้วก็มี เบ็ดที่จะมาเกี่ยวปากเราให้คิดถึงสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราว่ามันให้ความสุขเราชั่วคราวแล้วเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีให้คิดอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาทางปัญญาคือไม่เที่ยงอา น, นิจังทุกขังมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นสุขเดี๋ยวเดียวสุขชั่วคราวอา น, นิจังเป็นสุขชั่วคราว พอมันหมดมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาอนัตตก็คือห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเปลี่ยนไม่ได้สั่งให้มันเหมือนเดิมตลอดเวลาไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องหมดถ้าเราเห็นทุกอย่างว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นลาบยศสระเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ว่าจะเป็นความสุขจากใครก็ตามจากสิ่งใดก็ตามมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปอย่างแน่นอนถ้าเราเห็นชัดเจนอย่างนี้ความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งเหล่า น, นั้นมันก็จะหมดไปการมาตัณหาก็จะหมดไปภาวะตัณหาก็จะหมดไปวิภาวะตัณหาก็จะหมดไปมันต้องหมดด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ยังจะหลงได้ยังอยากได้ พอเห็นอะไรเคยชอบก็ยังอยากได้อยู่ถึงแม้จะมีสมาธิแล้วแต่วเวลาออกจากสมาธิมาความหลงมันก็จะกลับมาหลอกใจเราได้เราถึงต้องใช้ปัญญามาคอยแก้ความหลงเวลาเราอยากได้อะไรคิดว่ามันเป็นสุขเราก็ต้องใช้ปัญญาถามว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสุขจริงหรือไม่สุขจริงเราสั่งมันได้ไหมควบคุมบังคับมันได้ไหม ถ้ามองเห็นว่ามันเป็นตายรักเราก็จะได้หายหลงเราก็จะได้ไม่อยากอันนี้คือขั้นตอนของปัญญาต้องตามมาหลังจากที่เราชำนาญทางสติทางสมาธิแล้วถ้าไม่เช่นนั้นเราไปาไม่สามารถที่จะพิจารณาทางปัญญาได้เพราะกิเลสมันจะดึงให้เราไปคิดทางกิเลสทันทีพอคิดอะไรก็อยากได้ทันทีจะไม่คิดว่ามันเป็นตายรัก จะไปคิดว่ามันเป็นเป็นเป็นของดีเป็นของที่จะให้ความสุขกับเราจะไปคิดว่ามันจะต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆืแต่ถ้าเรามีมีสมาธิแล้วเราจะสั่งให้ใจไปคิดทางปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิสั่งไม่ได้ไม่เชื่อก็ลองดูดูว่าจะพิจารณาตายลักได้นานสักเท่าไหร่พิจารณาอาการสาสิบสองของร่างกายได้นานสักเท่าไหร่ พิจารณาสรากศพได้นานสักเท่าไหร่พิจารณาไม่ได้เพราะกิเลสมันไม่ยอมให้พิจารณาแต่ถ้าทำใจให้สงบได้แล้วเราสามารถสั่งให้มันพิจารณาได้แต่เราต้องสั่งถ้าไม่สั่งมันก็จะไม่ไปเหมือนกันอใจนี้มันไม่เคยไปทางนี้มันมันถูกสอนไม่ให้ไปเราจึงต้องบังคับมันบังคับให้มันไป บังคับให้มันพิจารณาอาการสาบสองบังคับให้มันพิจารณาอาสุภะซากศพสิบชนิดบังคับให้มันพิจารณาปฏิกูลของอาหารอาหารไม่น่ากินไม่น่าดูอย่างไรบังคับให้มันพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นการเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายของเหล่านี้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วไม่มีการบังคับให้มันมันไม่คิดอยากจะคิดมันก็ไม่คิด ไม่เชื่อลองดูดูจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้เปล่าวันวั น, วนหนึ่งเราคิดถึงตายรักได้ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายคิดถึงอาการสามสิบสองของร่างกายเราได้หรือเปล่าหรือของร่างกายของคนอื่นได้หรือเปล่าคิดถึงซากศพของเราซากศพของคนอื่นได้หรือเปล่าเวลากินอาหารคิดว่ามันกลายเป็นอุจจาระกันบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยคิดกันเห็นอาหารในจานแล้วก็น้ำลายไหลกัน ไม่คอยคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอาหารที่อยู่ในท้องเวลาที่อัดเจียนออกมานี่มันน่ากินไหมอันนี้แหละเป็นวิธีที่จะกาจัดความอยากต่างๆได้เป็นปัญญาแต่เราไม่มีวันคิดกันได้ถ้าเราหนึ่งไม่มีสมาธิสองถึงแม้มีสมาธิแล้วถ้าเราไม่บังคับให้มันคิดมันก็จะไม่คิดอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติกันถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ อย่างถาวรต้องหยุดด้วยการไม่กลับมาเกิดทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นลาบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ก็จะต้องมีความทุกข์ที่มากับความการเกิดก็คือความแก่ความเจ็บความตายนะความเกิดมันมาจากอะไรก็มาจากตัณหาความอยากนี่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพะอยากในลาบยศสารเสริญ มันจึงพาให้เราต้องกลับมาเกิดกันแล้ววิธีที่จะหยุดการกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากสิ่งที่จะหยุดความอยากได้ก็คือสติและปัญญาและการจะเจริญสติและปัญญาได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีงานทำไม่มีงานอย่างอื่นทำไม่มีภาระกับใครไม่ต้องมาคอยห่วงคอยดูแลใครเพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะได้เจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาได้เต็มที่ถึงจะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้เพื่อที่จะได้ยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องเป็นผู้ที่สละเรือนผู้ที่ไปบวชกันเท่านั้นบรรดาพระอาหารหันตาสาวกเช่นในวันมาคบูชานี้มีพระสงฆ์หนึ่งันหรูป เป็นผ้าอรหันทั้งนั้นไม่มีคารวาสแม้แต่รูปเดียวอันนี้ครยกตัวอย่างให้ดูเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าถ้าอยากจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องเป็นนักบวชเท่านั้นถึงจะเป็นได้ยกเว้นคนบางคนเท่านั้นที่อาจจะมีบุญบารมีเก่าแล้วก็พอได้ฟังธรรมก็สามารถ ปฏิบัติได้เลยโดยที่ไม่ต้องบวชแต่พอบรรลุแล้วก็ขอบวชเป็นพระกันทั้งนั้นเพราะว่าไม่มีความอยากที่จะอยู่เป็นคาลวาเด็กต่อไปนั่นเองนี่แหละคือความสำคัญของวันมาฆบูชาวันที่พวกเราจะได้มาดำลึกถึงเหตุการณ์อันมหัศจรรย์ที่ไม่มีเกิดขึ้นได้ง่าย คือการมารวมกันของพระอรหันตสาวกหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปและการแสดงธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังและจดจำกันไว้ภายในใจเราจะมีเหมือนกับมีแผนที่นำทางเราไปสู่พระนิพพานนำทางไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ดังนั้นขอให้พวกเราจำไว้ให้ดีคำสอนอันประเสริฐสมข้อนี้คือหนึ่งการละการกระทำบาปทั้งปวงสองการสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราจำได้แล้วไม่ลืมแล้วนำเอาไปปฏิบัติรับรองได้ว่าเราจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอน ถ้าไม่บรรลุพบนี้พบต่อไปก็ทำต่อได้ถ้าเราไม่ลืมปัญหากลัวว่ามันจะลืมและอาจจะไม่ลืมเฉพาะในพบนี้อาจจะลืมในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ตอนนี้ฟังจำได้อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองถามดูจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วถ้าจำไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะนี่คือแผนที่นี่คือเป็นทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นกัน งั้นจดจำไว้ให้ดีบันทึกเขียนไว้แล้วท่องมันทุกวันวาพระพุทธเจ้าสอนให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรก็หลุดพ้นด้วยการไม่การกระทำบาปทั้งปวงการสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ขอให้ท่านจงนำเอาความรู้อันสำคัญนี้ไปจดไปจำแลนะนำไปปฏิบัติ และรับรองได้ว่าความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจะค่อยหายไปตามลำดับและหมดไปได้ในในในเวลาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาราหาปุราปิริโุเลนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปการปติอิชิตังปัติตังตุมห um ังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติ so อะระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวะโตอันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสานิจังวุธาปจายโนจัตารโอธรมาวัทานติอายุวโนสุขัง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 ถ้าไม่อยากถามตัวด้วยตัวเองก็เขียนเขียนข้อความส่งขึ้นมาแล้วจะให้พิธีกรช่วยอ่านคำถามให้วันนี้ทาง y o youtube f a c e b o o k เข้ามาเท่าไหร่เ c e b o o k 481ย t u b บ142ค่ ะ, ะวิทยุ19รวม642บนเขา334รวม976ค่ะวันนี้มากนะสามร้อยกว่าวันนี้ ก็ถ้ามีคำถามก็ขอเชิญถามได้คำถามฝากถามคำถามแรกค่ะขอเรียนถามว่าเราจะสมาทานศีลห้าด้วยตัวเองที่บ้านได้ไหมครับได้การสมาทานก็คือขอให้เรารู้ว่าศีลห้าคืออะไรแล้วก็เรามีความตั้งใจที่จะรักษาก็ถือว่าเราได้สมาทานแล้ว การที่เราต้องไปสมาทานกับพระเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าศีลห้ามีอะไรเราก็ต้องไปถามพระเท่านั้นเองที่เราต้องไปขอศีลจากพระก็คือไปขอศึกษาว่าศีลห้ามีอะไรศีลแปดมีอะไรเพื่อที่เราจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเรารู้แล้วเราอยากจะรักษาวันไหนเราก็สมาทาน โดยการตั้งจิตอธิษฐานไปว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าหรือศีลแปดก็ว่าไปตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่ก็กําหนดเวลาไปก็ถือว่าเราได้สมาทานแล้วเรียนถามอาจารย์ว่าบุญกับบารมีแตกต่างกันอย่างไรครับผมก็มันก็เป็นตัวเดียวกันนะเพียงแต่ว่าบารมีนี่เรามักจะพูดถึงบุญที่เราสร้างมาในอดีต บุญต่างๆที่เราสร้างมาในอดีตมันมันมากับเรามันเลยทำให้เรามีบารมีมีรัศมีคนที่ไม่มีบารมีนี่จะดูสึกแล้วไม่มีรัศมีคนที่มีบารมีนี่จะมีรัศมีคนจีนเขาเรียกมีโ ง, ง่เฮงโง่เฮงก็คือบารมีเข้าใจนั่นเกิดจากบุญที่เราทำมาในอดีต ชาชาชนี้เราไม่มีบา ร, รมีเราก็ต้องสร้างบุญกันสร้างด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการแผ่เมตตาแล้วต่อไปมันก็จะเป็นบา ร, รมีเวลาเราไปเกิดพบหน้าชาติหน้าเราก็จะมีรัศมีมีบา ร, รมีอย่างพระพระุทธเจ้าเนี่ยบ า, าเกิดก็โหนดูว่า เ, าเด็กคนนี้มีบา ร, รมีมากรัศมีออกมาเจรจาเนี่ยเกิดมาป๊บก็เดินได้ต้องเจ็ดเก้า เขเลยสามารถก็ เ, เลยทํานายว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เช่นั้นก็ต้องเป็นมาหาจากกักรพันธ์เพราะอาดีตได้ทําบุญมามากจึงมีบารมีมากคําถามจาก Facebook ค่ะคําถามจากคุณปามค่ะตอนที่พระอาจารย์บวชใหม่ๆมีสกนิดไหมคะที่ท้อหรือแพ้ต่อกิเลสถ้ามีพระอาจารย์โกลนาเล่าให้ฟังถึงวิธีแก้ปัญหาเพื่อเป็นกําลังใจด้วยเถอดเจ้าคะ่ะ ก็มีบางทีเผลอสติมันก็เริ่มคิดถึงอดีตกิเลสมันก็ออกมาหลอกล่อไปเที่ยวดีกว่าไปหาเพื่อนดีกว่าไปกินไปดื่มดีกว่าบางทีก็แพ้มันมันหลอกไปก็ไปเหมือนกันไปแล้วพอกลับมาถึงจะรู้ว่าโอ้เสียเวลาเปล่าๆถ้าสู้กับมันเราชนะมันเราก็จะได้ไม่ต้องไปไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เราจะได้ลุยต่อไปได้ อย่พอครั้งต่อไปเวลามันมาหลอกก็รีบปลุกสติขึ้นมาเลยเรียบพุโทโธพุโทโธรีเรบเดินจงกรมหยุดความคิดอพอหยุดความคิดที่มันชวนให้เราไปเที่ยวไปทําอะไรได้ใจก็สงบก็หายทุกข์หายทรมานแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวแต่บางครั้งมันก็เผลอได้ใหม่ๆมันแบบนมลุกคุก ค, คานผัดกันลับผัดกันลุกบางทีก็โดนเขาตัด ถูกเขาต่อยล้มล้มก็ต้องไปไปเที่ยวสัหน่อยแล้วพอกลับมาบ้านก็กระเทานั้นเห็นมีอะไรนะเลยขาวหน้ามันจะหลอกที่นี้จําได้แล้วไปก็ไม่มีอะไรเอาพุโทโธดีกว่าภาวนาดีกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมสู้กับมันไปแล้วต่อไปมันก็ชนะมันไปเรื่อยๆพอเราเริ่มชนะมันแล้วเราก็จะมีกําลังใจแล้วก็จะสามารถชนะมันไปได้เรื่อย แต่ต้องตัวสําคัญก็คือสตินะเวลาที่เราเริ่มท้อแท้เบื่อหนานี้จําไว้เลยว่าสติหมดกําลังแล้วถ้าเป็นรถก็เหมือนน้ามันหมดแล้วขับรถไปรถมันจอดนี่อย่าไปคิดว่ามันเป็นอะไรเลยดูถังก่อนว่ามีน้ํามันหรือเปล่าส่วนใหญ่มันจะเหตุที่มันไม่มีน้ํามันนั้นเวลาหมดกําลังเมื่อไหร่ก็ถือว่าหมดสติเมื่อนั้น สติไม่สามารถควบคุมกิเลสตันหาได้มันก็เลยออกมาเพ่นพ่านมาสร้างเรื่องราวต่างๆให้เราต้องท้อแท้เบื่อหน่ายพอเราเกิดความท้อแท้นี้จำไว้เลยคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยคิดถึงพุทธานุสติก่อนเลยพุทโธพุทโธไปเลยแล้วเดี๋ยวสักพักนึงจิตก็จะได้กำลังขึ้นมาเหมือนรถพอได้เติมน้ำมันหน่อยเดี๋ยวตสตาร์ทปุ๊บก็ติมปุ๊บเลยวิ่งต่อได้นะสตินี่สำคัญมากเนะี่ย จะ แ, แพ้จะชนะกันก็นกนที่ตรงตัวสติเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนนะคําถามจากคุณประวินทนานการที่เราเกิดเป็นเด็กสมาธิสั้นเพราะชาติที่แล้วขาดการนั่งสมาธิหรือเปล่าสุกคะขาดสติไงไม่ฝึกสติเยคนเราที่มีสติไม่เท่ากันจึงมีลักษณะต่างกันไหมคนเสียสติคนบ้าก็เพราะไม่มีสติคนเมาเหล้า ก, ก็ไม่มีสติ งั้นคนที่มีสติน้อยจะทําอะไรได้ได้ได้น้อยกว่าคนที่มีสติมากอย่างเด็กที่เรียนหนังสือเนี่ยบางคนเรียนได้แค่ป .4 ก็ไม่มีสติที่จะไปเรียนต่อละคนที่มีสติเขาก็ไปต่อได้เพราะเขาเรียนเก่งเขามีสติเวลาครูสอนเขาก็ฟังเขา้าใจเวลาสอบเขาก็สอบผ่านเด็กที่ไม่มีสติเวลาครูสอนมันก็ไม่ได้ฟังมันก็ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้พอเวลาสอบก็สอบตกเี่ย อะไรไม่มีกําลังใจที่จะเรียนอยู่ที่สติทั้งหมดเนี่ยคนเราจะเจริญหรือจะเสรมเนี่ยกุญแจดอกสําคัญก็คือสติสติมาก่อนแล้วปัญญาถึงจะตามมาที่หลังได้ถ้าไม่มีสติไปเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เกิดปัญญาถ้าอยากจะเรียนให้รู้เรื่องต้องมีสติเวลาอ่านหนังสือใจไม่ลอยไปคิดถึงแฟนไม่คิดถึงขนมคิดถึงที่เที่ยว ต้องอยู่กับหนังสือที่เราอ่านอ่านแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็จะจำได้เวลาสอบก็จะสอบได้เย น, นสติเนี่ยพะพุทธเจ้าบอกจำเป็นในทุกกรณีสตินี่เป็นธรรมที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยในป่านี่พระพุทธเจ้าบอกรอยเท้าสัตว์ไหนใหญ่ที่สุดในป่ารอยเท้าช้างใช่ไมไม่มีรอยเท้าสัตว์ไหนที่จะใหญ่กว่ารอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนี่ครอบรอยเท้าของสันทุกชนิดเลยฉันใดสติก็ครอบทาทุกชนิดเลยทาอย่างอื่นจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีสติเป็นตัวนำไปเอ็นพยายามหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างอย่างต่อเนื่องจนไปถึงจุดสูงสุดได้คำถามจากคุณนรุมิรครับนมัสกุลครับพระอาจารย์ ขอทราบความหมายของเนสชิก ค, ครับมีความจําเป็นหรือไม่หากเรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมของเราหย่อนยานเราจะอาศัยการทําเนสชิกนี้เป็นการเตือนตนเองให้เร่งรัดปฏิบัติธรรมครับเนสชิกก็เป็นข้อปฏิบัติที่เรียกเป็นทุโดงเขวะหนึ่งข้อใน13ข้อเป็นเหมือนกับสมาทานศีลอย่างเงี้ยศีลก็เป็นข้อข้อห้ามข้อบังครับแต่ทุดงนี้เป็นข้อ ข้อบังคับให้ทำไม่ใช่ข้อบังคับไม่ให้ทำสิ่งนี้จะเป็นห้าไม่ให้ทำแต่ทุดงนี่บังคับให้ทำถ้าอยากจะเดินไปข้าหน้าต้องบังคับให้มันเดินบางทีมันขี้เกียจเราก็ต้องใช้เนสัตชิกเนสัตชิกก็คือจะถือสายวิริยบทถ้าขี้เกียจมันจะถือวิริยาบทนอนมากกว่าอิริยบทอื่น <c oughs> ก็เลยตัดอิริยาบทนอนทิ้งไปไม่ให้มันนอนถ้ามันจะหลับก็ให้มันหลับในท่าอื่น เช่นท่านั่งหลับก็หลับไม่นานอย่างนี้ถ้าให้มันท่านอนแล้วมันจะหลับนานแล้วก็เลยมันจะไม่ได้ภาวนาไม่ได้ปฏิบัติอันนี้เป็นไม่ได้เป็นข้อบังคับเป็นข้อสมัครใจเพื่อมาแก้กิเลส ข, ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ต้องใช้ข้อนี้ก็ได้ถ้าเขาไม่มีความขี้เกียจนะเขาก็ปฏิบัติของเขาไปได้อย่างต่อเนื่องบางคนขี้เกียจมาก ไม่มีวิธีไหนต้องใช้วิธีนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้นนแล้วแต่ความถนัดของคนวิธีอื่นก็มีบางคนก็อาศัยไปอยู่ที่หน้ากลัวแล้วมันก็ไม่ขี้เกียจพอมันกลัวแล้วจิตมันก็ต้องตื่นอยู่กับป่าช้านี่มันก็จะต้องตื่นลุกขึ้นมาภาวนาถ้าไม่ตื่นไม่ภาวนาเดี๋ยวบัวมัวแต่ไปคิดถึงผีมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่แต่ละคนจะต้องหาวิธีต่างกันไป บางคนก็ถือในสัจชิสาวิริยาบุตรก็ไม่ได้ให้ถือตลอดเวลาตลอดเดือนตลอดปีมันก็ต้องดูความเหมาะสมของร่างกายบางบางทีพอเราใช้ไปแล้วพอเราเริ่มขยันแล้วเราก็หยุดใช้มันก็ได้มันเป็นเหมือนตัวกระตุ้นความเพียรของเราแต่ถ้ามันขี้เกียจเมื่อไหร่ก็ใช้มันใหม่ถ้ามันไม่ขี้เกียจแล้วก็ไม่ต้องใช้มันคำถามจากคุณเบนนี่ครับ อยา ก, กบเปลี่ยนถามพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรถึงจะได้ทำบุญทุกวันแม้ไม่ค่อยมีโอกาสไปวัดครับออเอากรปุกซิเอาเงินที่เราจะทำบุญเนี้ยใส่กระปุกไปแล้วเขียนว่าห้ามใช้โดยเด็ดขาดห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ใช่เงินของเราแล้วเป็นเงินของกองบุญแล้วแล้วพอเรามีโอกาสไปทำบุญที่ไหนเราก็เอาไปทำบุญได้เลย ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้พอมาถึงวันสาคัญอย่างวันมาคะบางทีไม่มีเงินทําบุญมีก็มีน้อยมากก็เพราะว่าเรามัวแต่เอาเงินไปใช้อย่างอื่นแทนที่เราเลยต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขไม่ให้เงิน่วดไหลไปทางอื่นก็ด้วยการบังคับให้มันทําบุญทุกวันก็เอาใส่กระปุกไปมากน้อยก็แล้วแต่กำลังของเราศรัทธาของเราอยากจะทามากน้อยก็ทาไป ถ้าเรามีการทำทุกวันมั น, ม, นมันดีหลายอย่างหนึ่งมันจะติดเป็นนิสัยมันจะทำให้เราทำอย่างต่อเนื่องสองมันจะทำให้เราได้ทำมากเพราะถ้าเราไม่ทำทุกวันเรานานๆานทำทีมันจะทำได้น้อยเพราะฉะนั้นจ ะ, จะทำให้เราได้ทำอย่างต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัยแลวจะทำให้เราได้ทำมากงนั้นพยายามทำไปเอาเงินที่เราจะทำบุญ ใส่บาทหรือทําบุญแบบแบบไหนก็ได้ถ้าเรายังไม่สามารถไปมอบให้กับบุคคลที่เขาที่เราจะมอบให้เราก็ใส่กระปุกไว้ก่อนสะสมไปพอถึงโอกาสเช่นวันนี้เป็นวันหยุดวันมาฆบูชาเราไปวัดเราก็เลยเอาเงินที่เราได้ใสก่กระปุกนี้ไปบริจาคให้กับวัดไปคําถามจากคุณสทาพรณ์กราบนมัสศการครับเหตุใดในสมัยพุทธกาล จึงสามารถบรรลุทําได้พร้อมๆกันเป็นจำนวนมากแม้ในขณะนั่งฟังธรรมซึ่งต่างจากยุคปัจจุบันมักจะได้ยินว่าฟากตายจึงได้ทำพอในยุคนั้นเป็นยุคที่มีพวกนักบวชอยู่เยอะเนพวกนักบวชที่เข้าไปติดมันเหมือนคอขวดเนี่ยรถที่เราวิ่งไปติดแล้วมันติดคอขวดอยู่ไม่มีใครมาเคลียร์คอขวดเนี่ยมันก็เลยไปไม่ไดย้ยุคนั้นก็มีพวกนักบวชบวชกันเยอะ แต่ไปติดอยู่ตรงสมาธิกันไม่มีใครไปทางปัญญาได้พอมีพระพุทธเจ้าตัดสรุทางปัญญามาบอกทางปัญญาก็ไปกันตามนั้นไปกันได้อย่างมากมายกายกองเพราะว่ามันติดกันเนี่ยยุคแรกๆที่พระเจ้าสแสดงธรรมนี้ท่านไปสอนพวกนักบวชนะพวกที่เขาได้สมาธิแล้วได้ศีลแล้วเขาขาดเพียงแต่ปัญญาพอแสดงเรื่องปัญญาให้ฟังเขาเข้าใจเขาก็บรรลุได้ทันที แต่ยุคนี้มันเป็นยุคแบบไม่มีคอขวดแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าเปิดคอขวดออกไปโดยกระทางพวกนักบวชนี่บรรลุปเป็นอาหารไปหมดแนะล้วเห็นมึ่งพันสอง้อยห้าสิบรูปตอนนี้เหลือแต่พวกไม่ใช่เป็นนักบวชพวกผู้คลองเรือนพวกผู้คลองเรือนนี้ก็ต้องใช้เวลาเพราะว่ายัางไม่มีกําลังที่จะรับปัญญาไปใช้ได้ยังต้องมาฝึกทําบุญใส่บาตรต้องรักษาศีลห้ากันก่อนเหมือนเด็กอนุบาล พวกนักบวชนี้เขาเป็นเหมือนเด็กที่จบมหกแล้วเข้ามาหาลายได้แล้วเห็นพวกนี้ก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยยุคนี้อันานานจะมีก็พวกนักบวชที่ตั้งใจบวชจริงๆอย่างสายพระอาจารย์มั่นอย่างเงี้ยพอเป็นนักบวชแล้วมีมีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยดึงก็ไปกันได้คําถามจากคุณสุรศักดิ์ค่ะฝึกจิตจับตัวรู้ จับความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วทําอย่างไรต่อไปครับมันได้ให้ไปจับมันให้ใช้ใช้สติหยุดมันอย่าไปจับความรู้ความคิดให้ใช้พุทโธให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายคือให้ใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่40ชนิดให้จิตเกาะติดอยู่กับอาการกรรมฐานเหล่านั้นไม่ให้ไปคิดแล้วมันจะไม่ไปคิดปรุงแต่ง แล้วเวลามีเวลานั่งก็ต้องนั่งนั่งให้กายนิ่งก่อนเพราะใจจะนิ่งได้ก็ต้องกายต้องนิ่งก่อนพอนั่งแล้วก็ดูลมหายใจหรือพุโทโธไปจนใจนิ่งสงบก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปก็คือพบสมาธิพบอุเบกขาเราก็รักษาสมาธิรักษาอุเบกขาให้อยู่ไปนานๆด้วยสติของเราต่อไปจนกว่าจะ ไม่ไม่ไม่สามารถรักษามันได้ก็ถอนออกมาถอนออกมาก็มาสร้างสติใหม่มาพุโทโธพุโทโธใหม่มาเฝ้าดูดูร่างกายใหม่แล้วพอเรามีเวลาก็กลับไปนั่งใหม่ทําอย่างนี้เข้าออกเข้าออกอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะสามารถนั่งได้นานนั่งได้ทุกเวลาที่เราต้องการนั่งได้เมื่อต้องการได้เมื่อนั่งเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อ น, นั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ เวลาออกจากสมาธิข่าวต่อไปก็มาสอนสั่งให้ใจมาศึกษาทางปัญญาสอนให้ศึกษาไตรักว่าใจรักคืออะไรอานิจจังคืออะไรทุกขังคืออะไรอนัตตาคืออะไรอะไรเป็นอานิจจังทุกขังอนัตตาเช่นรูปก็คือร่างกายเป็นอานิจจังทุกขังอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราเห็นด้วยตาก็เป็นอานิจจังทุกขังอนัตตา ข้าวของเงินทองลาบยศจารสเสรินก็เป็นอนิจจังคุกขังอนัตตาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขเพื่อเราจะได้ตัดกิเลสตัดความอยากที่อยากอยากไปได้สิ่งเหล่านี้พอเราหลงแล้วถูกความหลงหลอกว่ามันเป็นความสุขกันแต่ความจริงมันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันมันจะหมดมันจะจากเราไปเวลามันอยู่ไม่ทุกข์แต่เวลามันจากมันทุกข์หรือเวลาอยู่แต่มันเปลี่ยนไปก็ทุกข์ นั้นต้องดูรู้ว่าของเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงจะไปพึ่งมันไม่ได้พึ่งมันให้มันให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ได้ให้คิดอย่างนี้อยู่ได้เรื่อยแล้วคิดร่างกายเราคิดร่างกายของคนอื่นศึกษาร่างกายของเราว่าเป็นอะไรกันแน่เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นแค่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่เกิดแก่เจ็บตาย อันนี้เราไม่ดูความจริงของร่างกายเราไปดูสมมุติของร่างกายสมมุติว่าเป็นชายสมมุติว่าเป็นหญิงสมมุติว่าเช่นในกอนางขอสมมุติว่ามีปริญญาเอกปริญญาโทเราไปติดอยู่กับสมมุติเราไม่เห็นร่างกายร่างกายที่มีอาการสามสิบสองมองไม่เห็นร่างกายที่ต้องแก่เจ็บตายมองไม่เห็นร่างกายที่เป็นซากศพเดินได้นี้มองไม่เห็น เพาเราไม่พิ จ, จารณามันก็เลยไม่เห็นร่างความจริงของร่างกายเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายมันก็คือสร้างศพเดินได้นี่เองใช่ไหมพอไม่หายใจมันก็กลายเป็นสร้างศพละตอนนี้มันยังหายใจได้มันก็เราเราเราไม่เรียกว่าเป็นสร้างศพแล้วข้างในร่างกายมันมีอะไรมันก็มีอาการสาวสิบสองมันมีตัวตนที่ตรงไหนมีหญิงมีชายที่ตรงไหนมันก็อาการสาวสิบสอง ให้ hey, พิจารณาอย่างนี้เราต่อไปเราจะเห็นความจริงแล้วเราจะได้ไม่หลงไปยึดไปติดมันแล้วเราก็จะไม่อยากได้มันไม่อยากมีมันเราก็จะปล่อยวางไม่ทุกข์กับมันนี่คือปัญญาอา้าม่เอาคําถามมีคําถามนึ่สุดท้ายละวันนี้คุณสันพบค่ะคําว่าพิจารณาต่างกับคําว่าคิดอย่างไรครับศึกษาไงศึกษา คิดมันอาจจะคิดด้วยเปื่อยคิดแบบไม่มีเหตุมีผลคิดความคิดนี้เป็นความคิดที่คิดทางกิเลสก็ได้คิดทางธรรมก็ได้คิดทางธรรมเราก็เรียกว่าพิจารณาคิดด้วยเหตุด้วยเหตุผลคิดตามหลักความเป็นจริงเราเลยเรียกว่าพิจารณาก็คือศึกษานี่ยไงวิจารวิจารณะคําว่าพิจารณาก็มาจากวิจารณะวิจารณวิจารเราก็ต้องศึกษาความจริงเป็นการศึกษา ธรรมะเราเรียกว่าศึกษาร่างกายศึกษาใจร่างศึกษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เหมือนกับที่เราไปศึกษาในห้องเรียนเนี่ยแเพียงแต่ว่าวิชาที่เราเรียนมันไม่เหมือนกับวิชาของพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนวิชาที่ที่ที่เราเกี่ยวข้องด้วยที่เราไปหลงว่ามันเป็นสุขให้เรามาศึกษาเราให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นทุกข์ เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันตอนนี้เราทุกข์กับมันเพราะเราคิดว่ามันเป็นสุขพอมันเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์เราก็ทําไม่ได้เราก็รับความทุกข์เต็มๆแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่ามันเป็นทุกข์เช่นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นลูกระเบิดเราก็ไม่ไปเอาดีกว่าใช่ไหมเราไปคิดว่าเป็นน้อยนาน้อยนาก็คิดว่าเดี๋ยวมาแกะกินหนหน่อยพราะแกะปั้มมันก็ระเบิดตูมเนี่ยเพราะไม่มีปัญญาง่ายเรามองเห็นทุกอย่างว่าเป็นเหมือนลูกระเบิด ไม่ชาก็เร็วเดี๋ยวมันจะต้องระเบิดใส่เราเเรียกว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาศึกษาความจริงกับสิ่งที่เราไปหลงคิดว่าเป็นความสุขให้เราพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นความสุขปลอมสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็จะระเบิดขึ้นมากลายเป็นความทุกข์ต่อไปเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา